คราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวตะกำลังสนทนากับเทวปิยะเทวปิยะได้เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านนี้กำลังประสบความเดือดร้อนจากที่ทำกินอย่างหนักเพราะครหะบดีผู้เป็นเจ้าของนาขูดรีด ก, กอบโกยเอาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองอย่างไร้ความเมตตาบนความทุกข์ของผู้อื่น ยิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านเหล่านี้ยังต้องเสียภาษีบุญให้กับมหาครุผู้เป็นใหญ่ในแถบนั้นเป็นประจำทุกๆปีปีใดไม่มีเงินให้ก็ต้องเลื่อนใจ่ายในปีหน้าต่อไปแต่ว่าต้องเพิ่มเงินเป็นสองเท่าของปีที่แล้วนะคะชาวบ้านเชื่อถือว่ามหาครุนี้มีวาจาเสร็จถ้าใครทำให้ท่านไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็ ท่านจะสามารถสาบให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหินหรือว่าประสบความหายนะน า, นานาประการได้ค่ะเราก็ฟังมาถึงตรงนี้นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ในบัดนี้ค่ะ เออเรื่องมันมีท่านพูดเจริญเข้าไปเจ้าจะเล่าต่อไปตามปกติเราก็เป็นสาวกของมหากรุและต้องเสียภาษีที่เรียกว่าทักษินาหรือปาทั ก, กากณิกให้แก่มหากรุเป็นประจำทุกปีพอสิ้นปีก็จะมีเจ้าหน้าที่จากปุญญาสถาระของท่านมหากรุออกไปเที่ยวเก็บภาษี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 จะจุดธูปเทียนและนาดอกไม้ของหอมมาตั้งบูชาแก่มหาคุรุบางทีมีคนศรัทธาแก่กล้าเอาผ้าใหม่ของตนมาปูราดบนถนนสำหรับให้ช้างทรงของมหาคุรุเหยียบแล้วก็ถือว่าผ้านั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำโชคลาภมาให้แก่ตนตามทางที่มหาคุรุผ่านประชาชนจะทาซุ้มด้วยกิ่งไม้ใบไม้และประดับประดาตกแต่ง อยย่าางงสวงมท่านผู้เจริญข้าพเจ้าบรรยายไม่ถูกเหมือนกันว่าขาบวนแห่ออกเยี่ยมประชาชนของมหาคุรุนี้ใหญ่โตมโหฬารเพียงใดแต่ถ้าท่านได้ไปพบเห็นด้วยตาของท่านเองนั่นแหละท่านจึงจะเชื่อว่ามันเป็นพิธีที่มโหฬารจริงๆเท่าที่ท่านได้บรรยายให้ฟัง อาตมาก็พอจะวาดภาพดูได้ว่าเป็นขบวนที่ใหญ่ยิ่งมากแต่ก็อยากจะถามท่านว่ามหาคุรุออกไปด้วยขบวนอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นเพื่ออะไรท่านสมณะถ้าดูตามหลักแล้วท่านออกไปเยี่ยมบรรดาสาวกเพื่อประทานพรแก่เขาเพื่อความเป็นสวัสดีมงคลแก่เขาแต่ความเป็นจริงแล้วอาเป็นเช่นนั้นไม่ข้าพเจ้าเองเห็นว่า ท่านออกไปเพื่อเก็บภาษีนั่นเองเมื่อท่านหยุดพักนหมู่บ้านแห่งหนึ่งแห่งใดแล้วบรรดาสาวกผู้ใกล้ชิดกับท่านก็จะออกตระเวณนเก็บทักษิณาทันทีถ้าใครไม่สามารถจะเสียภาษีได้ครบปีที่สาจะถูกนำตัวไปพบท่านมหาคุรุแล้วท่านมหาคุรุก็จะสาปแช่งให้สาวกผู้เคาะร้ายต่า น, นั้นถศภัยพิบัติต่างๆดูก่อนอุบาสก เมื่อสาวกผู้เคาะร้ายเหล่านั้นถูกสาปแช่งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าถามท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทุกคนตกใจกลัวจนตัวสั่นงันงกและรีบตลีตลานหาวิธีแก้คำสาปทันทีวิธีแก้คำสาปตามบรรัญญัติที่มีไว้ก็มีดังนี้ผู้ถูกสาปจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีบุญญาพิธี ตานคร อ, อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นคงคายมนาสรัดวดีสินทุโคทาวลีเป็นต้นและจะต้องได้ดื่มน้ําจากแม่น้ําเหล่านี้ด้วยเขาจะต้องได้อาบน้ําและดื่มน้ําอันศักดิ์สิทธิ์จากสระอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นสุรยะปุษกาลีจันทระปุษกาลีอินทระปุษกาลีเป็นต้น เช่นเขาจะต้องไปประกอบบุญญาพิธีในป่าและทะเลสายอันศักดิ์สิทธิ์เช่นในมิสะอารัญญะภาทรีอารัญญะทันทกะอารัญญะโคชะอารัญญะเป็นต้นและจะต้องประดิษฐานรอยเท้าของตนไว้ในป่าเหล่านั้นท่านผู้เจริญสำหรับข้าพเจ้าเองนั้นก็อย่างที่ได้เล่าให้ท่านฟังแล้วเพราะความจน และความแห่งแล้งของดินฟ้าอากาศข้าพเจ้าจึงไม่สามารถที่จะมีทักษิณาไปถวายแก่มหาคุรุได้ในเวลาติดต่อกันสมปีในปีที่สามท่านมหาคุรุได้ออกเยี่ยมสาวกและได้หยุดค้างคืนที่หมู่บ้านของเราข้าพเจ้าถูกนำตัวไปพบท่านและถูกสาบด้วยความหวาดกลัวต่อมรณาภัยข้าพเจ้าจึงออกเดินทางจากหมู่บ้านตั้งแต่วันนั้น ทิ้งบุตรภรรยาไว้เบื้องหลังเดินทางรอนแรมไปตามนครแม่น้ำสะน้ำและป่าอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อประกอบบุญญาพิธีแก้คำสาปข้าพเจ้าได้มาเกือบครบทุกแห่งแล้วเหลืออีกแห่งเดียวคือตะโปธา น, นาทีแห่งนครราชกฤตเท่านั้น มีอายุเมื่อได้ฟังเรื่องราวของเทวปิยะจบลงแล้วข้าพเจ้านึกถอนหายใจด้วยความสงสารเขาในขณะเดียวกันก็เกิดความรู้สึกเกลียดชังมหาคุรุผู้โหดร้ายทารุณ น, นั้นแต่เมื่อได้สติสัมปชัญญะกลับคืนข้าพเจ้าก็รีบระงับความรู้สึกเกลียดชังนั้นเสียและแผ่เมตตาจิตแก่มหาครุแทนเพราะสมณะที่แท้จริง ในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดา Catalunya. ต้องไม่ประทุษรลายไกลแม้ด้วยความคิดข้าพเจ้านึกสงสารความโ ง, ง่งมงายของเทวปิยะไม่น้อยแต่นึกชมในความอุตสาหะวิทยะของเขาในการแก้คํำสาปอันเลื่อนลอยของมหาครุเพื่อที่จะบรรเทาความเชื่ออย่างงมงายของเขาลงบ้างข้าพเจ้าจึงเริ่มถามเขาว่า ดูก่อนอุบาสกท่านเชื่อจริงๆหรือว่ามหาครุของท่านเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรก็ได้เชื่อสิท่านสมณะถ้าไม่เชื่อข้าพเจ้าก็คงจะไม่ต้องระเหยเร่ร่อนจากบ้านเมืองได้รับความละบากยากเย็นเช่นนี้อาตมายอยากจะถามต่อไปว่าที่ท่านมหาครุของท่านจะสาบให้คนเป็นสัตว์ก็ได้เป็นหินก็ได้นั้น ท่านได้พบเห็นมาด้วยตาตนเองหรือเพียงแต่ได้ยินเขาเล่าลือข้าพเจ้าไม่เคยเห็นหรอกท่านสมณะได้ยินแต่เขาเล่าลือกันแต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามันเป็นความจริงถ้าไม่เป็นความจริงเขาจะเอาที่ไหนมาพูดจริงของท่านอุบาสกแต่คําเล่าลือของคนย่อมจะมีมูลความจริงอยู่บ้างถ้าไม่มีความจริงเขาก็คงจะไม่เล่าลือแต่ท่านเชื่อคําเล่าลือทั้งหมด ว่าเป็นความจริงหรือเรื่องเล่าลือบางอย่างอาจจะถูกคนปั้นแต่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นความจริงทั้งหมดดอกท่านสมณนะเรื่องเล่าลือบางเรื่องก็มไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อยแต่บางคนผูกเรื่องขึ้นแล้วก็ไปบอกคนอื่นคนอื่นได้ยินได้ฟังเข้านึกว่าเป็นความจริงแล้วก็เล่าต่อต่อกันไปก็มเมื่อเรื่องเล่าลือบางเรื่องมีมูลความจริง บางเรื่องไม่มีมูลความจริงเช่นนี้ท่านจะรู้ได้อย่างไรแล้วว่าเรื่องไหนมีมูลเรื่องไหนไม่มีมูลท่านจะใช้อะไรเป็นเครื่องตัดสินเทวพิยะนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเห็นจะไม่มีทางท่านผู้เจริญข้าพเจ้ายัางมองไม่เห็นว่าจะมีหลักอะไรตัดสินบ้างมีสิอุบาสกหลักประการหนึ่งในการพิจารณาตัดสินว่าเรื่องใด เรื่องหนึ่งจริงหรือไม่จริงก็คือผู้พูดนั่นเองถ้าผู้พูดเป็นบัณฑิตมีคุณธรรมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เรารู้ได้แน่นอนเลยว่าท่านมีนิสัยพูดจริงเรื่องที่ท่านพูดเราอาจจะเชื่อได้ก่อนว่าจริงถ้าคนพูดเป็นคนพาลปราศจากคุณธรรมมีนิสัยชอบพูดเท็จเราก็อาจอนุมานได้ว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นไม่จริงอีกประการหนึ่ง ถ้าผู้พูดเป็นคนกลางไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนั้นเป็นฝักเป็นฝ่ายข้างนั้นข้างนี้เราก็อาจสันนิษฐานได้ว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นไม่จริงอตาตมาอยากจะถามท่านว่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์วิเศษของมหาคุรุนี้ใครเป็นคนเล่าให้ท่านฟังถ้ามีคนเล่ากันหลายคนใครเป็นผู้เล่าให้ท่านฟังบ่อยๆท่านสมณนะเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของมหาคุรุนี้ ดูเหมือนจะเล่ากันทั่วไปทุกคนเพราะเอ่ยขึ้นใครๆก็รู้และยอมรับว่าเป็นความจริงทั้งนั้นแต่ถ้าจะถามว่าใครเล่าบ่อยๆเล่ามากที่สุดข้าพเจ้าก็คิดเห็นแต่คนเก็บภาษีของท่านมหาคุรุนั่นเองทุกครั้งที่เก็บภาษีถ้าเก็บได้สมปรารถนาเขาก็มักจะพรรณาความศักดิ์สิทธิ์ของท่านมหาครุในทางที่ดีเช่นคาอวยพรว่า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 อาตมาก็พอจะทราบได้ทันทีแล้วว่าผู้เล่าสมควรจะเชื่อได้หรือไม่อาตมาเชื่อว่าคนเก็บภาษีเหล่านั้นคงจะมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับภาษีนั้นอย่างแน่นอนและเขาคงเป็นบุคคลใกล้ชิดของมหาคูรุจึงได้รับความไว้วางใจจากท่านให้เก็บภาษีเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะเชื่อได้ไหมว่าคนเก็บภาษีเป็นคนกลางแท้สมควรจะเชื่อได้ ถือตามหลักของท่านก็เชื่อไม่ได้สิท่านสมณะเมื่อเชื่อถือไม่ได้เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของมหากรุเราก็อาจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนทีเดียวว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่เพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมอาตมายอยากจะถามท่านอีกว่าเรื่องราวต่างๆที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของมหากรุซึ่งผู้เก็บภาษีอ้างว่าเกิดขึ้นจริ ง, รงๆนั้นเขาบอกท่านหรือไม่ว่าเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่เขาบอกหรือเปล่าว่าเรื่องเช่นนี้เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านของท่านเองหรือในหมู่บ้านใกล้เคียงตามปกติเขาก็ไม่บอกว่าเกิดที่ไหนหรือเมื่อไรถ้าบอกก็มักจะบอกว่าเกิดขึ้นในหมู่บ้านอันไกลแสนไกลซึ่งแม้แต่ชื่อเราก็ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอุบาสกแล้วท่านทราบไหมว่าทําไมเขาจึงอ้างว่าเรื่องนั้นๆ เกิดขึ้นในหมู่บ้านไกลๆทำไมไม่บอกว่าเคยเกิดขึ้นที่ในหมู่บ้านของท่านเองเข้าพเจ้าก็ไม่ทราบแต่ว่าเรื่องอาจจะเกิดขึ้นที่โน่นจริงๆและไม่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราเลยก็ได้หมายความว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่มีใครในหมู่บ้านของท่านถูกมหากรุษาบเลยก็ น, นั้นลึกเข้าไปเจ้าะัากต่อไปเคยถูกสาบเสมอล่ะท่านสมณนะ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 ทำไมเขาไม่อ้างว่าเกิดขึ้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงก็เพราะเขาเกรงว่าท่านจะไปสืบถามดูว่าจริงหรือไม่จริงเขาจะต้องอ้างหมู่บ้านที่ไกลที่สุดหรือหมู่บ้านซึ่งอาจจะไม่มีอยู่จริงๆเลยก็ได้เพื่อว่าท่านจะไปสืบถามดูไม่ได้ท่านผู้มีอายุทเท ว, วปิยะคงจะงงงวยต่อเหตุผลของข้าพเจ้าอยู่ไม่น้อยเขานั่งมองไกลออกไปเบื้องหน้า ขศีรษะไปข้างซ้ายทีข้างขวาทีและมีรอยยิ้มปรากฏอยู่บนใบหน้าด้วยข้าพเจ้าเชื่อว่าดวงปัญญาคงจะเกิดขึ้นในจิตใจของเขาบ้างแล้วครู่ใหญ่ผ่านไปเขาจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นมหากรุก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์จริงดังที่เขาเล่าลือกันละสิอาตมาไม่มีทางจะทราบได้หลอกอุบาสกว่ามหากรุของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ เพราะอาตมาก็ไม่เคยเห็นท่านและไม่เคยอยู่ร่วมกับท่านถ้าอาตมาได้พบท่านอาตมาจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นทันทีว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่อาตมาเพียงแต่พูดตามเหตุผลที่ควรจะเป็นเท่านั้นเป็นหน้าที่ของท่านที่จะตัดสินใจเอาเองว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ ปิยะยังคงนั่งเป็นเชิงคิดหนักต่อไปโดยไม่ได้พูดอะไรออกมาข้าพเจ้าได้ถือโอกาสนั้นกล่าวต่อไปว่าดูก่อนอุบาสกถ้าท่านยังมีความเคลือบแคลงสงสัยอธตมาจะขอซักซ้อมความเข้าใจกับท่านต่อไปท่านก็เห็นประจักษ์แล้วว่ามีคนในหมู่บ้านของท่านเป็นอันมากที่ถูกมหาครุช่งแต่ไม่มีใครกลายเป็นสัตว์หรือเป็นหิน ให้ท่านเห็นแม้แต่คนเดียวในเวลาเดียวกันคนในหมู่บ้านท่านไม่น้อยที่ได้รับพรจากมหากรุแม้ตัวท่านเองก็เคยได้รับแต่ปรากฏมีใครหรือไม่ในหมู่บ้านของท่านได้ประสบโชคลาภอันมหาศาลเห็นท่านตาไม่มีใครเลยท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเองยังเคยได้รับพรจากท่านแต่ก็ยังยากจนเขินใจอยู่ตามเดิมเทวปิยตอบ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแม้ความศักดิ์สิทธิ์ในด้านดีของท่านมหากรุก็ไม่มีประจักษ์เช่นเดียวกับความศักดิ์สิทธิ์ในด้านการสามเเ่้งท่านผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้าพูดมาถึงตอนนี้เทวปิยะก็แสดงอาการประหลาดออกมาทันทีกล่าวคือเขาได้ร้องไห้สะอึกสะอื้นขึ้นมาโดยปัจจุบันทันด่วนอุบาศกท่านเป็นอะไรไปหรือ ข้าพเจ้าถามด้วยความตกใจไม่เป็นอะไรหรอกท่านพูเจริญเทวาปิยะตอบพลางเช็ดน้ําตาข้าพเจ้านึกน้อยใจเสียใจที่ตนได้ตกอยู่ในปรักของความโง่ความเขลามาเป็นเวลานา น, านแสนานานแไหนหนอข้าพเจ้าจึงไม่คิดถึงเหตุผลง่ายๆดังที่ท่านได้แสดงให้ฟังถ้าข้าพเจ้าลองคิดสอบสวนดูบ้างอย่างที่ท่านแนะ ข้าพเจ้าคงจะไม่ต้องประสบความระคำลำบากถึงเพียงนี้ว่าแล้วก็ร้องไห้คูุ่ฝายต่อไปอย่างน่าสงสารข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้จะปลอบโยนอย่างไรจึงนั่งดูอยู่เฉย รูใหญ่ผ่านไปเทวาปิยะจึงหยุดร้องไห้เขาเช็ดน้ําตาจนแห้งสนิทดีแล้วจึงก้มงลงกราบแทบเท้าข้าพเจ้าแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นดวงประที่นำแสงสว่างมาให้แก่ชีวิตของข้าพเจ้าอย่างแท้จริงท่านเป็นผู้เขี่ยทุรีออกจากดวงใจของข้าพเจ้าทําให้มองเห็นเหตุผลดีชั่วเป็นครั้งแรกในชีวิตข้าพเจ้า ขอถึงท่านเป็นสมณะที่พึ่งตลอดชีวิตดูก่อนอุบาสกถ้าหากท่านได้รับแสงสว่างคือดวงปัญญาก็ขออย่าได้เข้าใจว่าได้จากอัตมาอัตมาเป็นเพียงผู้รับเอาแสงสว่างนี้มาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของอัตมาพระองค์เป็นศาสดาองค์แรกที่ทรงนําแสงสว่างอันแท้จริงมาสู่ชมพูทวีป ขับไล่อวิชาโมหะและวิชาทิฏฐิออกไปจากจิตของมวนสัตว์ขอเชิญท่านน้อมจิตระลึก ถ, ถึงพระองค์และยึดเอาอพระองค์เป็นที่พึ่งเถิดต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็นำเทวปิยะให้ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาถือระรตนไตรเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและได้เทศนาสั่งสอนเขาให้มั่นคงในสมาธิทิฏฐ และสำมาถปฏิบัติจนกระทั่งพระอาทิตย์บ่ายคล้อยลงจวนจะรับแนวป่าเขาจึงอำลาจากไปท่านผู้เจริญพอกันทีสาหรับการเดินทางอันยืดยาวของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะมุ่งหน้ากลับบ้านไม่ทราบว่าบุตรภรรยาของข้าพเจ้าจะเป็นตายร้ายดีประการใดบางทีก็าอาจจะอดตายแล้วก็ได้ ต่อไปในอนาคตถ้าท่านมีเวลาก็ขอนิมนต์ไปโปรดสัตว์ผู้โง่เขลาทั้งแคว้นกระิงคะบางเถิดเขากราบลงด้วยเป็นจังขปดิ์แล้วก็ออกเดินทางแต่แล้วข้าพเจ้าก็ชุกคิดถึงนิมิตประหลาดเกี่ยวกับลีลาวดีที่เกิดขึ้นในขณะทำสมาธิเทวปิยะผู้เดินทางมามากบางทีเขาอาจจะช่วยพิสูจน์ได้วันนิมิตนั้นเป็นความจริงหรือไม่ ข้าพเจ้าได้เรียกให้เขาหยุดแล้วถามว่าอุบาสกท่านเดินทางมาหลายบ้านหลายเมืองท่านเคยพบผ่านเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําบ้างหรือไม่เทวปิยะมองดูหน้าข้าพเจ้าอย่างงงๆแล้วก็ตอบว่าโอ้ยมากมายท่านผู้เจริญมีนครนับเป็นสิบสิบที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําอัตมาหมายถึงนครที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําอันกว้างใหญ่ แม่น้ำที่มีฝั่งสูงมีเทวรัยมากมายตั้งอยู่บนตลิงจากตลิง่งลงไปถึงชายน้ำมีบันไดหินเป็นขั้นๆยาวไปตามลำแม่น้ำแลดูสวยงามมีคนทุกเพศทุกวัยอาบน้ำในแม่น้ำมีนักบวชนั่งสวดมนต์ภาวนาตามขั้นบันไดหินอ้อเทวปิยอุทานออกมาแล้วก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้น ก็หมายถึงนครพาราณาสีท่านผู้เจริญนครพาราณาสีนครหลวงของแคว้นกาสีพาราณาสีมีลักษณะดังที่ท่านเล่ามาทุกประการข้าพเจ้ายังเคยไปอาบน้ําในแม่น้ํำคงคาหน้าเมืองพาราณาสีเลยท่านถามทําไมลึกท่านผู้เจริญไม่มีอะไรดอกอุบาศกข้าพเจ้าตอบด้วยความรู้สึกประหลาดใจ ที่มีนครในนิมิตของข้าพเจ้าอยู่จริงๆถ้าอย่างนั้นลีลาวดีก็คงมีตัวตนอยู่จริงๆท่านผู้มีอายุเทวปิยะ ผู้ตกเป็นทาสของคนฉลาดแกมโกงได้จากไปแล้วข้าพเจ้ามองตามเข้าไปจนเขารับหายไปในระยะทางแล้วก็หันกลับมาคิดถึงเรื่องของตัวเองจิตใจของข้าพเจ้าในขณะนั้นวุ่นวายสับสนคําบอกเล่าของเทวปิยะเกี่ยวกับนครพาราสีนั่นเองทําให้ข้าพเจ้าเกิดความตื่นเต้นสนใจก่อนได้พบเขาข้าพเจ้าเข้าใจว่า นครที่ปรากฏเป็นนิมิตในดวงใจของข้าพเจ้านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาในเมื่อจิตเป็นสมาธิแต่เมื่อได้ฟังคําบอกเล่าจากเขาแล้วข้าพเจ้าก็ชักจะเห็นว่ามันไม่ใช่ภาพมายาเสียแล้วเพราะถ้าเป็นภาพมายาจริงมันก็ไม่น่าจะมีลักษณะตรง ก, กันกับนครพระรามนาีที่เทวปิยะเล่าให้ฟังแต่นี้ภาพทั้งสอง ตรงกันทุกประการแสดงว่านครเช่นนั้นมีอยู่จริงในโลกและท่าเทวาลัยขั้นบันไดหินท่าน้ำมีจริงถนนที่มีสองฝากเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนกำแพงสูงประตูมียามเฝ้าปราสาทที่ตั้งอยู่กลางสวนก็น่าจะมีอยู่จริงถ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงลีลาวดีซึ่งเป็นจุดเด่นในนิมิตนั้น ก็น่าจะมีอยู่จริงๆแต่จะเป็นได้อย่างไรในเมื่อลีลาวดีได้ดับขันไปจากโลกนี้กว่า10ปีมาแล้วอาจจะมีทางเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากตายไปแล้วเธอก็ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นใหม่อีกในปราสาทหลังนั้นข้าพเจ้าพยายามคบคิดเรื่องนี้อย่างหนักแต่ไม่มีทางจะได้รับความกระจ่างแจ้งได้ข้าพเจ้าพูดกับตนเองเบาๆ เป็นเชิงปฏิญญาณว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเดินทางไปยังนครพาราณสีเพื่อพิสูจน์ความจริงให้ได้ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าคงเดินทางมุ่งหน้าสู่เหนือไปเรื่อยๆโดยไม่รีบร้อนข่ามที่ไหนก็นอนพักกลางคืนที่หมู่บ้านนั้นตอนกลางคืนบำเพ็ญเพียรทางจิตตอนกลางวันสนทนาเทศนาบุคคลที่เข้ามาหา หลังจากเวลาอันยาวนานผ่านไปข้าพเจ้าก็ามาถึงหมู่บ้านที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งเหตุที่น่าสนใจก็คือประชาชนชาวบ้านทั้งหมดเป็นพุทธศาสนิกชนมีอารามอันน่ารื่นรมแห่งหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านและในอารามนั้นมีพิกษุรูปหนึ่งชื่อนิมมระอยู่อาศัยและพระนิมมระนี่เองบังเอิญเป็นพิกษุ ที่เคยอยู่ใต้การปกครองของข้าพเจ้าที่พระเวรุวนณารามการที่ได้พบกันอีกจึงนำความปราบปลื้มปิติมาสู่เราทั้งสองเป็นอย่างมาก หลังจากที่ท่านจากพระเวรุวนารา ม, มาไม่นานเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นในพระ น, นครราชกฤะลึระนิมมะระบอกข้าพเจ้าด้วยหน้าตาเศร้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าถามด้วยความตื่นเต้นจิตใจหวนคิดไปถึงนิมิตไฟไหม้พระเวรุวนันและกลุ่มราชกระล ที่ข้าพเจ้าเห็นในขณะนั่งสมาธิทันทีเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมากท่านผู้เจริญเรื่องเช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในวงการอันบริสุทธิ์สะอาดแห่งพระพุทธศาสนารีบรี บ, รบเล่าเขาเถิดท่านผู้มีอายุผมใกล้จะฟังเต็มที่แล้ว ผู้เจริญท่านยังคงจำได้ว่าหลังจากท่านจากมาพระเทวทัตก็เข้าบริหารพระอารามแทนท่านไม่มีใครทราบว่าเพราะเหตุไรท่านพระเทวทัตจึงกำสัตยาประสาทของเจ้าชายอาชาติสัตรูได้อย่างมั่นคงบางคนเล่า ว, ว่าพระเทวทัตทรมานองค์มกุฏราชกุมารด้วยอิทธิปฏิหารอันเกิดแก่โรกียฌานของท่าน กาวคือวันหนึ่งพระเทวทัตได้เนรมิตตนเป็นกุมาร น, น้อยมีอสารพิษพันเป็นกำไลข้อมือและข้อเท้าทั้งสองตัวหนึ่งพันเป็นสร้อยคอตัวหนึ่งทําเป็นที่ประดับศรีรษะอีกตัวหนึ่งทําเป็นผ้าเฉลียงบ่าเหาะลงมาจากอากาศนั่งบนพระเผาของอาชาติศัตรูราชกุมารเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูราชกุมาร ตกใจกลัวและตรัสถามจึงกลับเพศเป็นพระเทวทัตตามเดิมยังความศรัทธาเรื่มใสอันแหลงล้าให้เกิดแก่เจ้าชายอาชาติศัตรูท่านผู้เจริญขณะที่พระเทวทัตกำลังมัวเมาอยู่ด้วยาบสกาละอันเกิดแต่ศรัทธาขององค์มกุฎราชกุมารอยู่นั่นเองพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพิสูจ์สงบูใหญ่ก็เสด็จมาประทับ เนเวรุวนณารามเพราะความมัวเมาในราบสกรละและเพราะความทะเยอทยานมักใหญ่ไฟสูงเกินฐานะพระเทวทัตได้เกิดความคิดอลามกขึ้นมาว่าตนจะเป็นพระพุทธเจ้าบริหารภิกษุสงฆ์แทนองค์พระบรมศาสดาเสียเองพร้อมๆกับเกิดความคิดอลามกนั้นเองท่านก็เสื่อมเจริญอันเป็นโลกิยะนั้นทันทีแสดงปฏิหารต่อไปอีกไม่ได้ ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ากล่าวขึ้นด้วยความสลดใจผมไม่เคยคิดเลยว่าพระเทวทัตจะชั่วช้าเลวสามถึงขนาดนั้นเพราะเมื่อท่านมาถึงพระเวรุวันครั้งแรกก็ดูเป็นผู้หนักแน่นในพระธรรมวินัยดีผมจึงได้มอบหมายให้ท่านบริหารพระอารามแต่ก็มีอะไรบางอย่างเหมือนกันที่ท่านแสดงออกมาซึ่งทำให้ภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาบางคนเกิดความระแวงสงสัย เช่นนกล่าวเสมอว่าพระพุทธเจ้าไม่สําคัญไม่ควรยึดติดในพระพุทธเจ้าให้ถือพระธรรมเป็นสําคัญดังนี้เป็นต้นแต่ผมไม่ได้ระแวงสงสัยแต่อย่างใดเพราะเข้าใจว่าท่านพูดธรรมะในขั้นปรมัตา์ความจริงท่านมีแผนที่จะประกาศตนเองเป็นบรมศาสดาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วเล่าต่อไปเถิดอวุโสนิมระ ท่านิมมระถอนหายใจอย่างหนักหน่วงแล้วก็เล่าต่อไปว่าท่านผู้เจริญพระเทวทัตได้แสดงเจตจำนงอันชั่วช้าของตนออกมาในวันหนึ่งท่ามกลางความตกตะลึงพลึงเพลิดของพระราชาธิปดีพิมพิาพสารภิกษุสงฆ์และอุบาสกกุบาศิกาซึ่งกำลังนั่งฟังธรรมอยู่ในพระเวรุวานารามขณะที่พระบรมศาสดา กำลังส่งแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั่นเองพระเทวทัตได้ลุกขึ้นจากอาสนะยืนประคองอัญเชิีกราบทูลพระบรมศาสดาด้วยเสียงอันดังว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงชราแก่เท่าแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยทรงประกอบธรรมเครื่องอยู่สบายในชาตินี้เถิดม่อมชั้น อยกบริหารภิกษุสงฆ์แทนพระองค์เองขอพระองค์ได้โปรดมอบภิกษุสงฆ์ให้หม่อมชั้นบริหารเถิดพระเทวทัตกล้าหาญถึงขนาดนั้นเจียวหรืท่านนิมมระข้าพเจ้าถามด้วยความตกใจแล้วพระผู้มีพระภาคทรงตอบว่าอย่างไรท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยุดการแสดงธรรมแล้วตรัสขึ้นว่า ดูก่อนเทวทัตถ้าเธออยากจะบริโภคปัจจัยสี่ของชาวบ้านดุดบริโภคน้ำลายก็จงบริโภคเถิดอยากเข้ามายุ่งกับภิกษุสงฆ์ท่านผู้เจริญเมื่อพระเทวทัตถูกรุกรานด้วยเขระวาสิกะวาทะนั้นแล้วก็เกิดความอับอายเกิดความโทมมนัสแล้วก็หลบออกไปจากมหาสันนิบาต หลังจากฟังพระธรรมเทศนาแล้วพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาตั้งหันหน้าเข้าปรึกษาหารือกันด้วยความปริวิตกเกรงว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นในสังคมมนทลเพราะพระเทวทัตเป็นเหตุแต่ทุกคนก็ยังหวังอยู่ว่าพุทธานุภาพคงจะช่วยพรอนหนักให้เป็นเบาได้ ท่านผู้มีอายุข้าไเจ้ากล่าวขึ้นด้วยความสลดใจผมไม่เคยนึกเคยฝันเลยว่าพระเทวทัตผู้เป็นเทระผู้ใหญ่และเป็นเชื้อพุทธวงศจะกล้ากระทําความชั่วช้ารามกเช่นนี้ท่านผู้เจริญพานิมระกล่าวขึ้นนั่นเป็นแต่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพระเทวทัตยังประกอบกรรมอันชั่วช้ายิ่งกว่านั้นอีกหลายประการดัง ผมจะได้เล่าให้ฟังต่อไปหลังจากนั้นพระบรมศาสดาก็ส่งรับสั่งให้พิสุสง์ประกาศทั่วไปในพระนครราชครึว่าบัดนี้พระเทวทัตมีจิตมุ่งร้ายต่อพระบรมศาสดาเธอได้ขาดสังกัดจากพระภิสุสง์แล้วพระเทวทัตเมื่อได้ทราบข่าวนั้นก็เกิดความโกรธแค้นในพระบรมศาสดายิ่งขึ้น และเริ่มวางแผนการที่จะปลงพระชนพระบรมศาสดาทันทีท่านได้เข้าไปเฝ้าอาชาติศัตรูราชกุมารแล้วก็พูดขึ้นว่าราชกุมารเอ๋ยในสมัยก่อนมนุษย์ย่อมมีอายุยืนนานแต่บัดนี้มนุษย์มีอายุสั้นเพราะฉะนั้นพระองค์อาจจะที่วงคตเสียตั้งแต่ยังเป็นพระกุมารก็ได้พระองค์อาจจะพลาดโอกาสที่จะได้เป็นกษัตริย์ ของราชสมบัติเหนือมกุฎัทธิฉะนั้นขอให้พระองค์หาทางปรงพระชนพระราชบิดาเสียและเป็นกษัตริย์เสียเองส่วนอัตมาภาพก็จะปรงพระชนพระผู้มีพระภาคแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเจ้าชายอาชาติศัตรูหลงเชื่อพระเทวทัตและก็ได้ปรงพระชนพระราชบิดาสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ ของมคต ร, รัฐต่อมาหมายความว่าพระเจ้าพิมพ์พิสารได้เสด็จสวรรคตแล้วอย่างนั้นดรือท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าถามด้วยความรู้สึกงุนงงอยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นถูกแล้วท่านผู้เจริญพิสุนิมระยืนยันร่มโพทองของนองครมคตรัฐได้ถูกปรงพชนด้วยวิธีการอันโหดร้ายทารุณที่สุด ผมเองก็ไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าบุตรในท้องจะกล้าทำกับบิดาบังเกิดเกล้าของตนได้เช่นนี้เฉพาะอย่างยิ่งกับบิดาผู้ประกอบด้วยคุณธรรมอันสูงส่งอย่างพระเจ้าพิมพิสารแต่เรื่องมันกลับได้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้เจริญเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านั้นเมื่อมีจิตใจถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงาแล้ว ย่อมไม่มีเหตุผลไม่มีบาปบุญคุณโทษไม่มีแม้กระทั่งมารดาบิดาอาจจะกระทำกรรมอันหยาบช้าทารุนต่างๆได้อย่างง่ายดายผมเพิ่งจะเห็นประจักษ์ชัดในคราวนี้เองเจ้า ช, ชายอาชาศัตรูปลงพระชนพระชนกโดยวิธีใดเล่าท่านผู้มีอายุกรุณาเล่าให้ผมฟังด้วยข้าพเจ้าถามด้วยความสนใจ แก่สรดใจผมจะเล่าตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวท่านผู้เจริญเมื่อได้รับการยุยงส่งเสริมจากพระเทวทัตแล้วในตอนเที่ยงวันหนึ่งเจ้าชายอาชาติศัตรูได้ถือพระแสงกฤษเข้าไปในพระราชมนเทียนด้วยตั้งใจจะปลงผชนพระราชบิดาแต่ยังไม่ถึงข่าวเคาะร้ายของพระราชาธิดีพวกอมัดได้จับพระราชกุมารไว้เสียก่อน เมื่อสักถามได้ความแล้วก็นำเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาพระราชาได้ทรงจัสถามพระราชกุมารด้วยพระทัยอันเปลี่ยนไปด้วยความรักไม่เปลี่ยนแปลงเลยว่าลูกเอ๋ยเจ้าจะฆ่าพ่อเพื่อประโยชน์อะไรขอดีชะหม่ฉันต้องการพระราชาสมบัติเจ้าชายทูลตอบตามตรงฝ่ายพระราชาที่พอดี แทนที่จะเกิดความกลิ้วโกรธในพระราชโอรสและหาทางขับไล่สาส่งไปเสียจากพระราชอาณาจักรอย่างที่กษัตริย์ทั้งหลายทรงจัดการกับพว้กบฏแย่งราชสมบัติพระองค์กลับทรงเรียกประชุมเสนาหมาตราชวงศ์ทั้งปวงแล้วก็ประกาศมอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสตั้งแต่บัดนั้นฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อได้เป็นกษัตริย์สมปรารถนาแล้ว ก็ลีบไปแจ้งข่าวดีนั้นแก่พระเทวทัตแต่แทนที่พระเทวทัตจะแสดงความยินดีด้วยกลับยุยงให้พระเจ้าอาชาศัตรูประกอบกรรมอันญยาบช้าต่อไปท่านกล่าวว่าราชาพระองค์อย่าเพิ่งตายพระไทยว่าสมปรารถนาแล้วยังก่อนมหาบพิษเวลานี้พระองค์เปรียดเสมือนบุรุษผู้ขังสุนัขจิงจอกไว้ภายในกล่องด้วยเข้าใจว่าปลอดภัยดีแล้ว แต่ในไม้ช้าสุนัขกิ้งจบก็จะกัดหนังหุ้มกรองออกมาทําอันตรายแก่บุรุษนั้นได้กรณีของพระองค์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหลในไม่ช้าพระราชบิดาของพระองค์ก็จะทรงเสียดาย ร, ราชสมบัติและนึกโกรธเคืองที่พระองค์ดูหมิ่นเยียดยามพระองค์แล้วก็จะหาทางกำจัดพระองค์เสียกลับเป็นพระพเจ้าแผ่นดินเสียเองในไม่ช้าแม้พระองค์เองไม่อยากจะทาเช่นนั้น แต่ขระราชบริพารเดิมของพระองค์นั่นแหละจะยุโยงส่งเสริมถ้าไม่เชื่ออัตมาภาพก็จะขอให้คอยดูพระสัตย์ผู้อ่อนปัญญาได้ตรัสถามว่าพระองค์ควรจะทำอย่างไรต่อไปพระเทวทัตได้คำแนะนำให้ปรงพรชนพระเจ้าพิมพิสารเสียเมื่อกษัสัตย์หนุ่มส่งทบทานว่าไม่ควรที่จะปรงพระชนกษัตย์ด้วยสัตตา พระเทวทัตก็แนะายวิธีอันแนบเนียนให้คือให้จับพระเจ้าพิมพิสารขังไว้ในพันธนาคารให้อดพระกยาหารจนกว่าจะหมดพละงกำลังสิ้นพระชนไปเองพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเห็นด้วยและทรงบัญชาการให้จับพระชนกขังทันที ทนผู้มีอายุข้าพเจ้าฟังเรื่องที่พนนิมะระเล่าด้วยความรู้สึกสลดรันทศใจอย่างลึกซึ้งล้ำพึงในใจว่าแม้ในสมัยที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปของโลกยังทรงพระชนอยู่แท้ๆมนุษย์ก็ยังหยาบช้าสามานถึงเพียงนี้ในยุคที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้าและพระธรรมอันประเสริฐมนุษย์จะโหดร้ายทารุณเพียงไหนหนอ นินเล่าต่อไปเถิดท่านนิมมระข้าพเจ้าขอร้องให้ภิกษุนิมมระเล่าเรื่องต่อไปทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากฟังเรื่องอันธารุณต่อจิตใจเช่นนั้นท่านผู้เจริญภิกษุนิมมระเล่าต่อเมื่อเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตแล้วพระเจ้าอาชาตศัตรูก็สั่งให้อมาร์ผู้ใกล้ชิดจับพระราชบิดาไปขังไว้ในเรือนจำพิเศษ อันร้อนรุ่มด้วยควันไฟซึ่งใช้เป็นที่สําหรับนักโทษสําคัญสําคัญแล้วก็มีนับสั่งห้ามมิให้ใครไปเยี่ยมพระราชบิดาเป็นอันขาดนอกจากพระราชเทวีเพียงองค์เดียวแม้พระราชเทวีก็ถูกห้ามมิให้นําพระกระยาหารไปถวายพระราชสวามีแต่ด้วยความรักและสงสารในพระสวามีอย่างสุดชีวิตจิตใจพระราชเทวี ได้นําเอาพระกยฐานใส่ขันทองคําส่งซ่อนขันทองคําไว้ในชายภูษาลักรอบนําเอาไปถวายแด่พระสวามีเป็นประจำการกระทําของพนางเป็นที่รู้จักกันดีในระหว่างทหารยามผู้รักษาประตูเรือนจำแต่ไม่มีใครกล้าว่ากล่าวห้ามปลามเมื่อวันเวลาผ่านไปพระเจ้าอาชาศัตรูก็ตรัสถามราชบุรุษว่า พระราชาบิดาสิ้นผระชนหรื อ, อยังเมื่อมีคนทูลว่ายังพระองค์ก็ตรัสถามถึงเหตุผลเมื่อได้ทราบว่าพระราชบิดายัางส่งพวรกายให้เป็นไปด้วยพระกยาหารที่พระราชาเทวีส่งซ่อนมาในชายภูษาพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงสั่งให้ราชบุรุษห้ามพระราชมารดาไม่ให้ส่งซ่อนพระกยาหารไปด้วยชายภูษาฝ่ายพระราชาเทวี ก็หาส่งยอมแพ้ไม่เมื่อเขาห้ามไม่ให้นําไปด้วยชายภูษาพระนางก็ส่งนําพระกระยาหารไปในพระเมารีเมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควรแล้วพระเจ้าอาชาตศัตรูก็มีรับสั่งถามถึงพระอาการของพระราชบิดาอีกเมื่อทราบว่ายังมีพระชนอยู่ด้วยพระกระยาหารที่พระราชมัรดาส่งซ่อนไปในพระเมารีพระองค์ก็รับสั่งให้ราชบุรุษ ห้ามพระราชเทวีนำพระกยาหารไปในพระเมรีคราวนี้พระราชเทวีส่งซ่อนพระกยาหารไว้ในฉลองพระบาททองปิดให้ดีแล้วก็ส่งฉลองพระบาทเข้าไปพระเจ้าพิมพิสารส่งยังพระวรกายให้เป็นไปด้วยพระกยาหารนั้นต่อมาภายหลังเมื่อพระเจ้าอาชาตศัตรูส่งทราบเรื่องนั้นก็มีรับสั่งห้ามม่ให้พระราชเทวี ส่งฉลองพระบาทไปเยี่ยมพระสวามีฝ่ายพระราชาเทวีก็มิได้ส่งย่อดเทาะพระนางได้ทรงสนานพระวรกายด้วยน้ําหอมทรงเอามัุร ส, สี่ประการคือเน่ยใสยเหน่ยข้นน้ําพึ่งน้ําอ้อยทาพระวรกายทรงหอมผูสาคลุมและเสด็จไปยังพันธนาคารพระราชาธิบดียังส่งพระชนชีพให้เป็นไปโดยการเลีย ริมมทุรสจากภาวรากายของพระราชเทวีนั้นต่อมาภายหลังเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูส่งราบเรื่องนั้นอีกก็ทรงห้ามไม่ให้พระราชมารดา เสด็จไปเยี่ยมพระราชบิดาอย่างเด็ดขาดในวารสุดท้ายพระราชเทวีทรงยืนเกาะประตูเรือนจำแล้วทูลด้วยพระเนตรที่นองด้วยน้ำพระเนตรว่าข้าแต่พระสวามีนี่เป็นการเยี่ยมครั้งสุดท้ายของหม่อมชั้นตั้งแต่นี้ต่อไปหม่อมฉั้นจะมาเยี่ยมพระองค์อีกไม่ได้แล้วหากหม่อมชั้นได้ประพฤติร่วงละเมิดในพระองค์ด้วยกายวาจาใจ ก็ขอได้ทรงประทานอภัยแก่หมอ่อมฉันด้วยเถิดตรัสเสร็จแล้วก็ทรงพระกันแสงเสด็จกลับพระราชนิเวศ ท, ท่านผู้เจริญหลังจากนั้นพระราชาธิปดีก็ทรงอดพระกยาหารแต่ธรรมดาพระอริยะบุคคลหาได้วันไหวต่อภยายใดๆไม่พระเจ้าพิมพิสารผู้ได้บรรลุโสดาปติผนตั้งแต่ครั้งพระบรมศาสดา เสด็จไปยังกรุงราชครืครั้งแรกเมื่อส0สปีเสร็จมาแล้วจึงหาได้หวัน่นหวาดต่อมรณภัยแม้แต่น้อยไม่ตรงขันข้ามพระองค์กลับทรงยังเวลาให้ผ่านไปด้วยการเดินจงกรมไปมาภายในเรือนจำเสวยสุอันเกิดแต่สมาธิและมรรคผลมีพระเทวีวันผุดผ่องยิ่งนักแม้วันเวลาจะผ่านไปพระองค์ก็หาได้สิ้นพระชนไม่ เมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูได้ส่งทราบเรื่องเช่นนั้นพระองค์ทรงรู้สึกไม่พอพระใยเป็นอย่างมากที่พระชนกไม่ได้ที่วงคตสมความตั้งใจพระองค์มีรับสั่งเรียกในช่างระบบหลวงมาหลายคนและส่งบัญชาว่าท่านทั้งหลายจงเอามีดโกนฝานพระบาททั้งสองของพระราชบิดาเราเอาน้ํามันและเกลือทาให้ดีแล้วย่างด้วยไฟ ฐานไม้ตะเคียนในช่างกระบบนั้นไปกราบทูลพระเจ้าพิพิสารพร้อมด้วยน้ำตาเพราะเขาทั้งหลายยังจงรักภักดีต่อพระองค์อยู่แทนที่พระราชาธิบดีจะทรงข้าปรามกลับตัดด้วยพระพักตร์อั้มแยม้มแจ่มใสเป็นปกติว่าเชิญท่านทั้งหลายกระทําตามพระบัญชาแห่งพระราชาของท่านเถิดในช่างกระบบทั้งหลาย กลับทูลขอพระราชทานอภัยจากพระราชาธิบดีแล้วก็กระทําตามบัญชาของพระเจ้าอาชาศัตรูท่านผู้เจริญดูเหมือนว่าในวาระสุดท้ายพระราชาทิพย์พิสารผู้ส่งไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐก็สวรรคตตามความปรารถนาอันชั่วร้ายของพระเจ้าอาชาศัตรูท่านผู้มีอายุเข้าไปเจ้ากล่าวขึ้นด้วยความรู้สึกโกรธเคืองในตอนแรก แต่เมื่อรู้สึกตัวว่ากำลังถูกความโกรธครอบงำข้าพเจ้าขอพยายามระงับใจให้เป็นปกติเท่าที่ผมฟังท่านเล่าเรื่องมารู้สึกว่าพระเจ้าอาชาศัตรูได้ทรงประกอบกรรมอันชั่วช้านั้นโดยอิสระเสดีดูเหมือนไม่มีใครคิดที่จะขัดขวางห้ามปรามเลยแม้แต่คนเดียวบรรดาอมรราชบริพานเก่าแก่ของพระเจ้าพิพิสารไปไหนหมดท่างภูมิอายุ ทำไมจึงไม่มีใครคิดที่จะช่วยเหลือพระองค์เลยท่านผู้เจริญพระนิมมาะพูดขึ้นด้วยใบหน้าที่สลดธรรมดามนุษย์ย่อมจะคิดถึงตัวเองก่อนคนอื่นย่อมคิดที่จะเอาตัวรอดเป็นประการแรกบรรดาข้าราชบริพารเก่าแก่ของพระราชาธิปดีเมื่อได้รับสินบนจากพระเจ้าอาชาศัตรูและได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะได้รับพระราชาฐานตำแหน่งสำคัญสคัญ ในพระราชอาณาจักรแล้วก็หันไปเข้าข้างกษัตริย์หนุ่มหมดสิ้นทุกคนลืมพระราชาธิบดีดั้งเดิมของตนสนิทหันไปให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับกษัตริย์ทรราชเป็นอย่างดีเพราะเหตุนี้พระเจ้าอาชาสัตรูจึงดําเนินงานได้อย่างสะดวกสบายและบรรดาขราชบริพานเก่าผู้ใกล้ชิดพระเจ้าพิมพิสารที่พระเจ้าพิมพิสาร ส่งชุบเลี้ยงมาเล่าท่านผู้มีอายุเข้าเหล่านั้นไปไหนกันหมดหรือว่าหันไปเข้าข้างพระเจ้าอาชาติสตรูหมดถ้าอย่างนั้นคําว่ากตัญญู ก, กเตเวทีก็ไ ม, ม่มีความหมายล้วสิท่านผู้ เ, รเจริญข้าราชบริพารเก่าแก่บางคนก็คงสงสารพระราชาธิบดีและอยากจะช่วยพระองค์เหมือนกันแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะอํานาจต่างๆอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอาชาศัตรูเสียแล้ว ทำอะไรลงไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะนำภัยพิบัติมาสู่ตนและครอบครัวเปล่าๆฉะนั้นขราชบริพารเหล่านั้นจึงนิ่งเสียเฝ้าดูเหตุการณ์ด้วยความสลดลันทดใจ ท่านผู้มีอายุเมื่อได้ฟังเรื่องราวความทารุณโหดท้ายของพระเจ้าอาชาติศัตรูจากพิษุนิมระแล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกหนักอึ้งในหัวใจดุดถูกภูเขากดทับไว้รำลึกอยู่ในใจว่าปัตนี้ยุคมืดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์แห่งมครัฐแม้แต่กระสัตรผู้นำมวลชนยังหยาบช้าทารุณ ถึงขนาดค่าบิดาบังเกิดเกล้าของตัวเองได้ลงคอจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงประชาชนคนธรรมดาเล่าตั้งแต่นี้ต่อไปมคตรัฐก็จะเต็มไปด้วยการเบียดเบียนเข่นฆ่ากันความเดือดร้อนวุ่นวายคงจะเกิดมีขึ้นทุกห ย, ย่อมหญ้าเกียรติคุณอันสูงส่งความเจริญรุ่งเรืองและความร่มเย็นเป็นสุขอันเป็นคุณสมบัติอันยาวนานของมคตรัฐ ได้ถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงแล้วท่านผู้มีอายุเขาพระเจ้ากล่าวกับพิษุนิมมะระผมอยากจะฟังเรื่องราวของพระเทวทัตต่อไปรวมทั้งเรื่องของพระบรมศาสดาด้วยเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูได้เป็นใหญ่เหนือมคตรัฐแล้วพระเทวทัตก็คงจะเจริญรุ่งเรืองตามหรืออย่างไรท่านผู้มีอายุเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูได้เป็นกษัตริย์แล้ว พระเทวทัตก็คบคิดกับพระองค์เพื่อจะปรองพระชนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเสียครั้งแรกพระเทวทัตได้ตกลงกับพระเจ้าอาชาศัตรูส่งในขมังธนูไปเพื่อจะให้ปรองพระชนพระผู้มีพระภาคเสียด้วยลูกธนูแต่ด้วยอํานาจพุทธานุภาพปรากฏว่าในขมังธนูเหล่านั้นยกธนูขึ้นสู่ไรเตรียมจะยิงแล้วก็ยิงไม่ได้ธนูเกิดไม่ลั่น ลสอนแม่แลนออกจากแหลงครั้นจะวางลงก็วางไม่ได้ยืนแน่นิ่งอยู่ในท่าเตรียมยิงด้วยความทุกข์ทรมานในที่สุดเขาเหล่านั้นก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาได้บรรลุโสดาปัิผลกลับไปยังความผิดหวังและความโทมนัสขัดเคืองให้เกิดแก่พระเทวทัตเป็นอันมากเมื่องานชิ้นแรกล้มเหลว พระเทวทัต ก, ก็ดำเนินงานชิ้นที่สองต่อไปวันหนึ่งขณะที่พระบรมศาสดากําลังทรงสำลานพระอิริยบทอยู่บนเชิงเขาคิจกูดพระเทวทัตได้แอบปีนขึ้นไปบนยอดเขาเหนือที่ประทับแล้วก็กลิ้งก้อนหินขนาดใหญ่งมาเพื่อจะให้ทับพระผู้มีพระภาคเจ้าก้อนหินก้อนนั้นได้ไปติดอยู่ที่หินใหญ่อีกสองก้อนในที่ไม่ไกลจากพระบรมศาสานั้น แรงพทะทําให้คอนหินแตกกระจายเศษหินเช่นหนึ่งได้กระเด็นไปกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคทําให้พระโลหิตห่อขึ้นเป็นอันว่าแผนการอันชั่วร้ายของพระเทวทัตล้มเหลวอีกแผนการอันดับที่สซึ่งพระเทวทัตเชื่อว่าจะปลงพระชนพระผู้มีพระภาคได้สำเร็จก็คือการเปล่อยช้างนาราคีดีซึ่งกําลังตกมันดุร้าย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 เข้าเรือนปิดประตูเหลือแต่พระบรมศาสดาและพระภิกษุยืนอยู่ในถนนในไม่ช้าช้างตัวดุร้ายก็ส่งเสียงแปแป้นวิ่งพุ่นตลบมายืนทมุนอยู่ข้างหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะอันขับขันนั้นเองพระอนณน์พุทธอุปถากก็ได้ตัดสินใจออกไปยืนฝังหน้าช้าง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 ปรากฏว่าช้างตัวดุร้ายนั้นได้ส่งเสียงร้องกล้องนครครั้งหนึ่งแล้วก็ฟุกลงหมอบอยู่แทบพระบาทของพระบรมศาสดายกงวงขึ้นเป็นชนถวายบงังคมสิ้นพยศอย่างราบคาบ